สงสัยอะไรไหมจริงเล่ายัางไม่จบนนเนี่ยเรื่องพระเมคียะเนี่ยนะจะฟังต่อไหมท่านบอกทำห้าประการทำห้าประการที่ใช้แก้คนที่ถูกอกุศลวิตกครอบงำเนนะท่านบอกว่าเมื่อทำห้าประการนี้ได้เจริญแล้วเนี่ยให้เจริญทำอีกสี่ประการ <c oughs> จำได้ไหมเนี่ย วันนี้ตัวเลขเยอะห้าสี่ห้าเฮ้หหสเออหหสสประการต่อไปคือเจริญอสุภะเพื่อละราคะราคะสำหรับพระเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใช่ั้ยท่านให้เจริญอสุภะเพื่อเพื่อละราคะและท่านไม่ได้ถูกครอบงำด้วยราคะอย่างเดียวถูกครอบงำด้วย พยาบาทด้วยคือโทสะให้เจริญเมตตาเพื่อละพยาบาท mm hmm. ท่านบอกให้ยังงี้นะเจริญอสุภะเพื่อละราคะเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทเจริญอานาปานาสติเพื่อละวิตกใครที่ฟุ้งซ่านมากๆวิตกกังวลเยอะๆเจริญอานาปานาสติเ mm hmm. จริญอนิจจสัญญา รู้จักไหมอันิี้จะสัญญาความหมายรู้ในความไม่เที่ยงเจริญนิอันิี้จะสัญญาเพื่อละมานะอัศมิมานะเพื่อละอัสมิมานะคือความถือตัวถือตนถือว่ามีเรามานะคือความถือตัวอัศมิคือตัวเราอัศมิมานะคือถือว่ามีเราถือว่ามีเราเนี่ยเป็นความเข้าใจผิด แล้วมองเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงบ่อยๆเนี่ยมันจะละความถือว่ามีเราเพราะว่าเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเห็นความไม่เที่ยงสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปตัวรู้เองเกิดมาแล้วก็ดับไปตัวรู้เหมือนเป็นเรานะตัวรู้เนี่ยเหมือนเป็นเราที่แรกๆที่เราดูเนี่ยนะจเดินสติรู้สึกกันไหมตัวรู้เนี่ยเหมือนเป็นเราแต่ตัวรู้ก็ดับเราไม่มีจริงหรอก เราเป็นเพียงแค่ความเข้าใจผิดเป็นเพียงความรู้สึกตามหลังความคิดขึ้นมาตัวนั้นเองรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนี้รู้สึกว่าเรากโกรธรู้สึกว่าเรารักแต่พอมีสติขึ้นมาเราไม่มีมีแต่ตัวรู้กับกิเลสตัวนั้นเวลามีราคะขึ้นมาเหมือนเรามีราคะแต่พอมีสติขึ้นมาจะเห็นราคะตัวหนึ่งตัวรู้ตัวหนึ่งตอนเห็นราคะ ต, ตัวรู้ตัวหนึ่งเนี่ย ความรู้สึกข้างในยังยังคิดว่าไอ้รู้เนี่ยเป็นเรา <c oughs> ดูไปดูไปนะไอ้รู้เองก็ไม่เที่ยงมันมีรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้บ้างเผลอบ้างไอ้รู้เองก็ดับตัวนี้สาคัญนะถ้าเห็นรู้ไม่ดับเนี่ยยังไม่ไม่ละอัมิมาณะได้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นแม้แต่ตัวรู้ก็เกิดแล้วก็ดับด้วยสติเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปตัวรู้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปตัวนี้จึงจะเกิด ปัญญาขึ้นมาเห็นว่าเราเองก็ไม่มีตัวเราเองก็ไม่มีเพราะที่เข้าใจว่าเป็นเรามันก็ดับได้มันไม่มีจริงเป็นความเข้าใจผิดเท่านั้นเองเห็นความไม่เที่ยงแล้วจะเห็นอนัตตาเห็นอนัตตาแล้วจะได้นิพพานนี่พระพุทธเจ้าว่าเป็นลำดับบไปจบการแสดงธรรมตอนนั้นพระเมียะยังไม่จบตอนนี้นะ จบการแสดงธรรมที่พระเจ้าแสดงให้พระเมขิยะฟังพระเมขิยะได้โสดาบันจากที่เป็นนั่งฟุ้งซ่านเมื่อกี้นั่นนะนั่งเห็นภาพตัวเองเป็นพระราชามีสนมร้อมรอบมีคนมาลายงานและเกิดขัดใจว่ามามาขัดเวลาเรามาขัดจังหวะเราเกิดจะไปเบียดเบียนไอ้คนนั้นที่ว่าเบียดเบียนคือมันยังไม่ทันสอบสวนเลยจะไปฆ่าเขาจะสั่งลงโทษเขา ฟุ้งซ่านมาถูกครอบงามาได้ธรรมะได้ธรรมะจากพระเจ้าสอนมาวิธีให้คบคนดีให้คบเพื่อนดีเพื่อนดีตอนนั้นคือใครมีอยู่อยู่สองท่านอะ่ะคือท่านกับพระพุทธเจ้าใช่ไหม <c oughs> ก็เจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนที่ดีสอนให้รักษาศีลดตอ น, น, นรักษาศีนไหมคําพูดเบียดเบียนใครไหมตอนนั้นไม่มีการกระทำํำไปเบียดเบียนใครไหมไม่มีนะรักษาศีลศีลได้ได้กระถาที่พาใจเปิด ได้ไหมได้ก็ท่านการแสดงอยู่อะพระพุทธเจ้าแสดงอยู่ใจเปิดขึ้นมาแล้วปลารกความเพียรต้องลุกไปเดินจงกรมไหมปารกความเพียรเนี่ยต้องลุกไปเดินจงกรมไหมต้องนั่งขัดสมาธิหลับตาเลยไหมตอนนั้นฟังตอนนั้นก็ได้ปารกความเพียรแล้วกิเลสที่เกิดขึ้นมาดับได้แล้วรู้ทันดับได้รู้ทันดับได้ปารกความเพียรตรงนั้นเลยต่อหน้าพระพุทธเจ้าตรงนั้นเลยปัญญาเกิดขึ้นได้ไหมได้เห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยง กิเลสเกิดขึ้นมาก็ไม่เที่ยงไอตัวรู้เกิดขึ้นมาก็ดับดับเหมือนกันไอตอนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เจริญอสุภะเจริญเมตตาให้เจริญอนาปานนั่นสิ่เป็นของแถม <c oughs> แล้วพอบอกว่าให้เจริญอนิจจสัญญาตรงนี้มาเข้ามาเข้าวิปัสนาเลยเข้าใจไหมเข้าวิปัสนาเลยให้เจริญอนิจสัญอ น, อนจสอนจสัญญาแล้วจะละอสมิมาณัได้ท่านละได้ตรงนั้นเลย ขอละอสมิมาณะได้หมายถึงว่าละสักกายทิฐิความถือว่ามี